สาธุจ้ะพอเดินผ่านบรอาหารมาไกลพอสมควรเลยเนา ะ, ะให้เขามีความสุขทุกก้าวที่เดินมาเพราะญาติโยมก็ทำบุญกันนหลวงพ่อก็ได้ร่วมบรนโุธรนาบุญกับทุกคนดังนั้นเดินมาก็มีได้ความสุขนะ มาถึงวันนี้พวกเราก็อ่ามารอหลวงพ่ออยูนะ่บางคนก็เคยทําบุญกับหลวงพ่อแล้วบางคนก็เคยพบกันแล้วบางคนก็อาจจะเห็นในทีวีนะระหว่างทางเดินมาบางคนก็ถามหลวงพ่อว่า ทำไมหลวงพ่อผอมลงนะหลพ่อก็ยิ้มนะหลวลงพ่อน้ำหนักลงไปเยอะเลยนะต่อแปดเก้ากิโลละแต่ที่น้ำหนักลดก็เพราะว่าเป็นเป็นเจตนาที่จะลดน้ำหนักจะไม่ได้อดอยากอะไรหรอกจะ้ะ เชียงญาตินถวายอาหารล้นวันหนึ่งนี่เป็นร้อยอย่างเลยนะฉันแต่ละที่แต่ละแห่งกับข้าวก็มากมายท่านแต่ฉันไม่ได้มากหรอกเพราะว่าตอนฉันก็เหนื่อยเหนื่อยวผมก็เดินได้แต่ เ, เช้าแล้วมาได้แต่เช้าล้วตอนอยู่ยแถวอ่บางบดทองบางใหญ่ประมาณทางนู้นน่ะแล้วก็เสร็จก็มา เราที่นี่ยังไม่ได้พักเลยนะถึงลงรถพอเราก็พาหลวงพ่อเดินเลยโอ้ศกประกาศหลวงพ่อมาแล้วตัวเป็นๆ เ, เลยวะนะแถมท้าทายให้จับให้ค้ำได้อีกหลวงพ่อก็ยิ้งเออดียคือเจตนาก็ดีนะพระทุกคนก็ดีใจที่หลวงพ่อมาหลวงพ่อก็ดีใจที่ได้มาเพราะจริงๆสมัยก่อนนี่แนละใคร ใครทำงานอยู่ที่นี่นานๆก็จะจำได้นะสมัยก่อนหลวงพ่อจะมาโปรดพวกเราตักบาตรใส่บาตรกันเป็นแถว แ, แต่ก่อนนานละนานละตอน น, น่าจะห่างไปรวมสิบปีแล้วมั้งที่ไม่ได้มาแต่ตอนนี้ก็พวกเราก็ไปนิมนต์หลวงพ่อถึงวัดเลยหลวงพ่อก็เลยต้องมามาวันนี้ ทราบว่าพวกเราส่วนหนึ่งก็ได้ทําบุญกันไปล่วงหน้าแล้วมีสิ่งของที่เอามารวมกันไว้เพื่อถวายหลวงพ่อด้วยนะละแต่สิ่งสําคัญก็คือมาในวาระที่ทางพวกเราที่เป็นชมรมพุทธใช่ไหมชมรมพุทธที่วีครับชมรมพุทธนะนั่นแหละอ่านีมนต์มาแต่เป็นชมรมพุทธมาก็ต้องให้หลวงพ่อมาแสดงธรรมให้ธรรมะบ้าง หลวพ่อก็เจืาพวกเรามีธรรมะกันเยอะแล้วแหละแต่ไม่ปฏิบัติเทนั้นเองแหละดูหน้าตาแล้วไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัติกันเนาะยิ่งตอนนี้เรื่องหวยก็ต้องติดตามมันตลอดเลยเจ้าหลวงลงเอ๋ยจะเป็นของใครคนที่วัดก็ถามหลวงพอ่อหลวงพ่อว่าหวยที่ของใครหพ่อ ก, ก็เลยตอบเป็นธรรมะไม่มีใครเป็นเจ้าของได้หรอกลูลกมันเป็นอนัตตาหวยเป็นอนัตตา ไม่มีตัวตนที่แท้จริงหรอกแต่ตอบแบบธรรมะมันก็ไม่ต้องไปเครียดอะไรเนาะแต่ถ้าเรามีธรรมะจริงๆก็เราไม่ต้องไปเสียเวลาหรอกมาหวยของไข่ถาม่าสองคนนี้เขาจะมาแบ่งเราไหมเนี่ยนะออหมวดจรูนหรือครูปีชาจะมาแบ่งเราไืมเราสนใจจนจำได้เลยนะถ้าสามสามเจ็ดสองหก จำกันได้คนไทยเราเราพ่อเขาขำๆพวกเราไปใส่ใจเรื่องราวของคนอื่นมากเกินไปพระเจ้าท่านไม่ได้สอนให้เราไปใส่ใจเรื่องคนนู้นคนนี้คนนั้นแบบนี้ะมันไม่ได้เกิดประโยชน์พระองค์จ้ะรู้แบงเป็นยังไงมายังไงพระอาจารย์ชี้แจงเลยอ๋จ<ะ>อจ้ะอ๋อเรื่องแบงเหรอจะเดี๋วเดี๋ยวไว้ไว้อ่ เอาไว้ก่อนเดี๋ยวหลวพ่อพูดทีหลังเลยเอาเรื่องหวยก่อนสำคัญเดี๋ยวไปไปบาๆก็หนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยลงข่าวหน้าหนึ่งนะทุกฉบับทุกวันต่อเนื่องกันมายาวนานรายการสำคัญห ล, ลายช่องนะก็ติดตามเรื่องราวเหล่านี้นะพวกเราก็พอย ลืมความทุกข์ไปด้วยเรื่องหวยมาเรื่องนาฬิกาก็ลืมไปอีกล่ะ <c oughs> ตาเรื่องเนาะไป ม, มาใหม่ขวานก็มาแรงเหมือนเนะ <c oughs> าะฟันรถจอดกันให้ดีล่ะ <c oughs> จอดจุมสี่จุมห้าแล้โดนขวานฟันเลยนะ <c oughs> สังคมเรามันมันมันจะเรียกว่าไงสติแตกแล้วเนาะตอนนี้นะข <c oughs> าดสติกันมากเลย ถึงจะพูดถึงเรื่องหวยเนี่ยแน่นอนนะในหลักก็คือว่าถ้าเป็นทางโลกอะมันก็ต้องของใครคนใดคนหนึ่งแนตะ่จริงไหมเออเรานึกเอาง่ายๆว่าเออความจริงมันคือความจริงนั่นแหละจะเป็นของใครเราไม่ต้องไปเสียเวลาจมอยู่ความสงสัยความสงสัยเนี่ยเป็นนิวรณ์นะแต่นิวรณเป็นเครื่องกลางกันให้เราไม่บรรลุกุศลธรรม รีวอร์นาะ่ะคงจำได้นะครับปฏิบัติธรรมความลังเลสงสัยหลายเรื่องนะที่พวกเราไปเสียเวลากับมันสงสัยสงสัยสงสัยสนใจต้องใช้เวลากับมันเด็กที่วัดก็ เ, เหมือนกันนะคุณทั้งที่มีโอกาสได้อยู่ใกล้หลวงพ่อฟังธรรมะอยู่แต่ว่ามันไม่ไ ม, ไ, มไม่พิจารณา มันก็ไม่เกิดปัญญามันเออคนอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อมองเห็นหลวงพ่อทุกวันบางทีก็เหมือนเหมือนทัพพีอ่ะที่อยู่กับหม้ อ, อกแกงอ่ะไม่ไม่รู้รสแกงแกงรสชาติเป็นไงถ้าพีไม่รู้นะเห็นไหมเด็กวัดก็เหมือนกันคนในวัดบางทีก็เหมือนกันการขาดสติแล้วไม่ ขาดวิทยาลัยนี่แหละมันทำให้เราเหมือนทับพีไม่รู้รสชาติของแกงพิเศษยิงปืนในวัดหรือเหมยงังขีนัดจำได้ไหมกีนัดจำได้ไหม อ, อ๋อนี่ยังความจำดีเนะี่ยสิบนัดพิเศษยิงปืนในวัดปุ่งปุงปุงวันต่อมาโอโห คนนับประเทศสัรเสริญ น, นะยิงปืนเด็ <c oughs> กวัดพระบาทน้าพวกรักพิเศษมากชอบร้องเพลงพิเศษนะ <c oughs> แทนที่มันจะไปถามพิเศษว่ายิงปืนทำไมมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อพิเศษจิงปืนในวัดทำไมยิงได้ไหมบาปไหมมันก็ถามไปแลาวบอก็ตอบเป็นธรรมะแบบกลางกลาง มันมีคําถามสุดท้ายที่หลวงพ่อก็ตอบให้มันรู้ตัวว่ามันมันใช้เวลากับพิเศษมากเกินไปเด็กที่วัดเขาก็ถามว่าถ้าพี่เศษมายิงปืนในวัดเนี่ยหลวงพ่อจะว่าไหมหพ่อก็บอกหลวงพ่อไม่ว่าหรอกนะยิงในวัดไม่มีปัญหาหรอกลูกแต่อย่ามายิงพระก็แล้วกันะพูดให้มันคขำๆแล้วก็เลยบอกไม่มีอะไรทําใช่ไหมลูกเ ชีวิตเราต้องเสียเวลากับเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องของตัวเองเพระเจ้าท่านสอนให้เราอยู่กับตัวเองเนะี่ยรู้ตัวทั่วพร้อมใช่ไหมไม่ต้องไปรู้เรื่องคนอื่นไม่ต้องไปใส่ใจในเรื่องคนอื่นเราต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมตั้งมันอยู่กับสภาวธรรมที่เข้ามากระทบ เป็ปฏิสัมพันธ์ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องรู้แต่ต้องรู้ต้องตั้งมั่นอยู่ตรงนี้รู้เพื่ออะไรรู้เพื่อไม่ให้เราหลงเพราถ้าหลงมันจะเป็นยังไงมันก็เกิด อ, อาการปรุงแต่งเราปรุงแต่งพอปรุงแต่งขาดสติเนี่ยมันก็เกิดเป็นอัตตาตัวตนเป็นเรื่องราวเรื่องราวเรื่องเขาของเร า, ข อ, เราของเขา พวกเราพวกเขาการปุงแต่งยิ่งสลับซับซ้อนอย่างเรื่องหวยกูพิชานะใช่สลับซับซ้อนมากมายเป็นเรื่องมีพยานมากมายนะครับจนป่านนี้ก็ยังไม่จบกันจะได้เหตุผลนี่แหละยั่นโยมใะ่พอเราไปยึดติดถือมั่นไวน้ในของกูจะ ลาบที่เราควรจะได้เป็นลาบของเราเป็นทรัพย์สินของเราตรงเงินข้ามครูปีชาน่าสงสารนะเป็นครูประกาศตัวเป็นครูดีเด่นซื้อหวยงินละแสนอ่ะไม่รู้ใครให้โลได้ไงเป็นครูดีเด่นสอนจริยธรรมสอนพุทธศาสนาแต่มัวเมามีความโลภ มากๆอยากได้ลงทุนซื้อหวยหดละหลายหมื่นหดเป็นแสนน่าสงสารนายโดมพระองค์สอนให้เราสมทะมักน้อยสันโดษนะรู้จักความพอเพียงพอดแีแต่เราไม่รู้จักความพอเพียงพอดี ไม่มากน้อยไม่สันโดษนี่แหละคือปัญหาเราก็จะเกิดความดินน้นทยายาอยากที่สุดก็ามาถึงการยื้อแย่งกันยื้อแย่งแย่งมกะทั้งโชคลาภมาสนากันใช่ไหมญาติโยมทุกเป็นทุกทุกมากกับสิ่งที่มันเป็นไปแ ต, แต่ถ้าเรามองเนี่ยหลายคนก็จะมองในจุดที่ว่า สองคนเนี้ยถ้าใครเป็นคนผิดก็คงลําบากแม่เลยใช่ไหมตอนเราก็โอ้โหคนจะปนนานมือนทั้งบ้านทั้งเมืองเลยโดวยเฉราะครูปีชาไมา่เจ้าของแล้วก็แต่งเรื่องขึ้นมาเนี่ยครูปีชาชาตินี้ไม่รู้จะอยู่ยังไงละถ้าเกิดทุกเรื่องกลายเป็นอะไรเขาเรียกอะไรขบวนการใช่ไหมออสร้างพยานเท็จสร้างหลักฐานเท็จสร้างอะไรหลอกลวงคนอื่นขึ้นมา แต่หลวงพ้อมองข้ามไปมองเห็นความทุกข์ที่เกิดกับคุณครูปีชาก็น่าสงสารเนาะน่าสงสารเขาใช้โอกาสในทางที่ผิดกันได้เกิดเป็นจาวพุทธแล้วแถมเป็นครูสอนพุทธศาสนาได้อีกดยแต่กลับไม่สอนตัวเองแต่ให้เข้าใจเรื่องเหล่านี้ไม่สอนตัวเองให้เกิดปัญญา แต่กลับเอาความเป็นครูนะมาเรียกร้องว่าเป็นครูดีเด่นครูสอนผู้ศาสนาครูจะต้องมีอะไรทัศนะเป็นบวกอะไรกับคนอื่นเนี่ยนะฉาตอนญายอมบางทีบางมุมที่เรามองไม่เห็นตัวเราเองเนี่ยแต่เนี้ยคือหน้าหน้าหน้าสงสารนะเพราะกฎสูงสุดของชีวิตคืออะไรในฐานะที่เราเป็นคน นั่งอยู่เนี่ยเหมือนกันทุกคนนะไม่ต้องไปรอศาลไม่ต้องไปรอกองปราบไม่ต้องไปรอพ่างเจ็ดหรอกนะพวกเราทุกคนได้รับความเป็นธรรมแน่นอนจากกรรมของตัวเองสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมใช่ไหมนั่นแหละหลวงพอ่อถึงสอนคนอื่นอย่าไปพิพากษ์วิจารณ์ ที่เสกริงปืนกี่นัดเขาก็ต้องรับกรรมของเข า, าใครทำอะไรไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นหลวงพ่อจึงไม่ใช่เวลากับการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเราไม่ว่าใครก็ตามจะมาถามหลวงพ่อเรื่องโน้นเรื่องนี้หลวงพ่อก็จะตอบแบบกลางกลาง ต, ตอบสั้นๆหลวงพ่อไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆ ไม่รู้จริงๆแปลว่าอะไรก็แปลว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตอนวิเศษยิงปืนหลวงพ่อก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หลวงพ่อจึงไม่รู้จริงๆตอนครูอ่าครูปีช า, าําหวยหล่นจากกระเป๋าหลวงพ่อก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตัตอนที่ใครไปยิงเสือดาหลวงพ่อก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ <c oughs> แล้วมีแต่เรื่องชวนให้เราสงสัยใช่ไหมอยากติดตามอยากติดตามแต่ญาติยอมเห็นไหม ไม่จะเรื่องอะไรก็ตามเวลาผ่านไปความสนใจนะมันก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วเราก็จะลืมเลือนมันไปมีเรื่องใหม่เข้ามาเรื่องเก่าก็าผ่านไปเราก็สนใจเรื่องใหม่เรื่องคนนู้นคนนี้คนนั่นสารพัดเลยนะที่มันจะเกิดขึ้นใหม่ๆบางคก็สนใจไปทั้งเรื่องของดารานะัคร้องนางแบบหรืออะไรก็ แล้วแต่นะก็สนใจเดยเพพาะเรื่องรักใครใครใครรักกับใครใครเป็นมือที่สามใครเตียงหักใครอยาล้างกันอะไรมรู้ดีไปหมดเลยรู้ดีหมดสนใจติดตามแล้ก็มาพูดติดตามเขาก็เสียเวลาแถมยัมาวิพากษ์วิจารณ์พูดดินทาเขาอีกนะเขาเนี้ยเฉยเวลาหลายต่อเลย เ, เสียเวลากับเรื่องเหล่านี้ไปมากเกินไปมันทําให้เราขาดโอกาสในการเนี่ยปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเรื่องที่มันเกิดขึ้นและเรื่องเราไปใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันยิ่งทําให้เราขาดสติมากขึ้นฟุ้งซ่านาปรุงแต่งกันไปแต่พระุธองค์ท่า น, นแนะนําเราให้อยู่กับปัจจุบัน ให้รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมที่มันเกิดเป็นปรากฏการขึ้นในปัจจุบันเพื่ออะไรเพื่อให้เราไม่หลงไม่หลงเมื่อไม่ต้องไปปรุงในญาติโยมเมื่อเราไม่หลงเราก็ไม่ปรุงไม่ปรุงก็แปลว่ามันก็แค่เป็นการเกิดดับเท่านั้นเองเกิดดับเกิดดับเราไม่ปรุงแต่งมันก็กิเลสใหม่มันก็ไม่เกิด สเลตเก่าที่มีอยู่แล้วมันก็ค่อยๆเบาบางลงสลายไปตามเหตุตามปัจจัยที่มันเป็นไปนี่แหละญาติโยมสําคัญมากตัวนี้เป็นการทําให้จิตใจเราสะอาดใช่นห <c oughs> แต่เราต้องใช้เวลาให้ถูกใช้เวลาให้เป็นเราถึงจะมีความสุขภพกก็จะน้อยลงนะการเบียนดไหวตายเกิดเราเมื่อจะสั้นลง พราความจริงเพราเราทุกคนเกิดมาเนี่ยมันเป็นอันแรกเลยก็คือเป็นบุญวาสนาของเราที่เราสร้างมาเราช้ำมาที่ไม่มาเกิดเป็นมนุษย์เราลองนึกเปรียบเทียบดูนะกัสัตว์อื่นเนี่ยหมากระไก่ช้างมา้าวัวควายพวกนี้สติปัญญาหรือจิตวิญญาณเนี่ยไม่เหมือนกับคนเรานะคนใครที่สะสมบุญบา ร, รมีตัวเองจะได้มาเกิดเป็น มนุษย์เป็นคนเอกเนี่ก็ถือว่าต้นทุนดีแล้วแหละแต่ชาตินี้เมื่อเกิดมาแล้วถ้าหากว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้อ่าสร้างบุญสร้างบารมีเพิ่มเติมอันนี้คือเรื่องเสียโอกาสแล้วเราจะต้องมาสาระบวนเสียเวลาอยู่กับความหลงไหลไปในรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสท่นารักใครทั้งหลายเนี่ยนี่แหละตรงนี้ที่ทาให้เราเสียโอกาสมาก นั้นการที่เราได้เกิดมาเป็นชาวพุทธแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมซึ่งก็ดีกว่าแน่นอนกว่การที่เราจะปล่อยเวลาให้มันเปล่าประโยชน์ไปพระอต้์ท่านแนะนำตักเตือนสาวกทั้งหลายเนี่ยบ่อยมากเรื่องนี้นะเรื่องของเวลาอย่าปล่อยเวลาให้ร่วงเปล่าประโยชน์ไปเพราะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเราเนี่ยทุกคนในนี้เกินครึ่งชีวิตละบางคนก็อาจจะเป็นสามในห้าแล้วบางคนก็อาจจะเป็นสามในสี่วบางคนอาจจะเป็นสี่ในห้าก็แล้วแต่นะแต่พวกเรามามาถึงโคง้โคงสุดท้ายแล้วแหละถ้าเป็นวิ่งร้อยเมตรเนี่ยพวกเราโครงสุดท้ายแล้วนะโครงสุดท้ายแล้วบางคนก็อีกไม่กี่ปีเราก็ต้องกเกษียณละ ทีนี้แหละเราจะได้ไประเชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นคืออะไรความเสื่อมของสังขารผมงอกผิวหนังก็จะเหี่ยวย่นฟันฟัางก็จะหลุดร่วงโยกคอนไปเห็นไหยญาติโยมกระดูกกระเดียวแข้งขาโดยพาะหัวเขาบางคนก็ไม่ไหวแล้ว หลวงพ่อหนูนั่งไม่ไหวแล้วนะยืนเนาะที่ไรยะหลวงพ่อเจอทุกวันเห็นทุกวันวันนี้ญาติโยมที่มาทําบุญกับหลวงพ่อเนี่ยหลายตอนหลายคนเห็นกันมาถึงยี่สิบปีแล้วนะตอนนี้ก็แก่ลงบางคนก็เดินไม่ไหวแต่นั่งรถเข็นมาทําบุญบาคนก็นั่งอยู่ในบ้านออกมาไม่ได้หลวงพ่อก็ต้องเข้าไปโปรดในบ้านเนี่ยนะ เพราะเห็นภาพเหล่านี้ทุกวันยังมีความรู้สึกตรหนักว่าเออชีวิตของเราเนี่ยมันเออเวลาน้อยแล้วนะอายุยิ่งมากขึ้นสังขารยิ่งเสื่อมลงไปเนี่ยความทุกข์ที่เราต้องเผชิญอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะความทุกข์กับความแก่ความทุกข์กับการเจ็บป่วยแต่ความทุกข์กับการตายเนี่ยมันจะมา ไม่มี ใ, ใครหนีพ้นนะเกิดแก่เจ็บตายนะก็เป็นปัญหาของของเราทุกคนที่ต่างคนต่างาต้องรับผิดชอบตัวเองนะต่างรับผิดชอบตัวเองสิ่งที่มันจะเป็นตัวกําหนดที่แน่นอนก็คือเรื่องของกรรมของเราแต่ละคนแต่ละคนนะดังที่หลวงพ่อได้กล่าวไปแล้วนะกรรมก็คือการกระทําของเราเนะี่ย การคิดการพูดการกระทาของเรานี่แหละสามอย่างแค่นี้เองแหละที่เราจะต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมกับการคิดการพูดการกระทาของเราตรงนี้แหละเป็นจุดที่สำคัญในชีวิตเราควรจะอยู่และควรจะปฏิบัติตให้ถูกต้องให้เหมาะสมอันนวันนี้ที่หลวงพ่อมาพบพวกเราเนี่ยในฐานะที่พวกเราก็เป็น ผู้ฝักไฝ่นะฝักใฝ่สนใจที่จะเรียนรู้ที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ขอให้เอาไปใช้ประโยชน์ให้มากๆาหลวอพ่อทำงาน315วันนะไม่เคยมีวันหยุดเลยหลือพ่อจำวัด ต, ตีหนึ่งทุกคืนตีหนะึ่งตีสามตื่นละก่อนตีสี่ต้องขึ้นรถไปโปรดญาติโย น, โยนตามต่างจังหวัดนะ กรุงเทพก็จะเข้ามาเยอะกับเพื่อนนนทปุรีปรทุมธา น, นีสมุทรปราการสมุทรสาครสงครามโคศกเขาบอกหลวงพ่อไปเจ็ดจสี่จังหวัดไม่ไปแค่สามจังหวัดชายแดนพักตายพเขาบอกว่าเขาจะใส่บาท้วยระเบิดหลงพ่อก็เลยไม่ไปเออก็เป็นเหตุเป็นผลน่าฟังอยู่เหมือนกันแหละ หลวงพ่อโปรดญาติโยมทุกวันนะไม่เคยมีวันไหนเลยที่หลวงพ่อไม่ทํางานแต่หลวงพ่อไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งแต่อย่าบอกให้พวกเรารู้ว่าหลวงพอยึดหลักที่พุทธองค์สอนลองหลับตาลเด็กถึงพระมหาชนกนะที่ท่านว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรหรือทะเลนะ่ะลายน้ําไปเทวดาก็มาถามใช่ไหมจะว่ายไปทําไมนะ่ะฝั่งก็มองไม่เห็นนะ่ะ ไล่ไปก็เหนื่อยเปล่าตายเปล่าเทวดาก็ถามราชนกท่านก็ตอบเป็นสองประเด็นประเด็นแรกท่านก็ตอบว่าเกิดเป็นมนุษย์ต้องประกอบความเพียรให้ถึงที่สุดพวกเราทุกคนเป็นมนุษย์ต้องประกอบความเพียรให้ถึงที่สุดมันหมายถึงว่าเวลาทั้งหมดที่เรามีโอกาสในชีวิตเนี่ย ต้องประกอบความเพียรเพราะความเพียร น, นี่จะพาคนร่วงพ้นไปสู่พ้นหลุดพ้นไปจากความทุกข์บุคคลร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรดังนั้นเนี่ยการได้เกิดมาเป็นมนุษย์หน้าที่จริงๆของมนุษย์เราก็คือประกอบความเพียร น, นั่นเองความเพียรที่จะหลุดพ้นจากการเบียดไวดตายเกิดความเพียรที่จะข้ามโอคะทั้งหลายเนี่ยไป อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งส่วนเรื่องที่สองที่สําคัญล่ะสมายชนกท่านก็ตอบเทวดาว่าหากเราไม่ประกอบความเพียรเราก็จะต้องได้รับโทษของความเกียจคร้านอย่างแน่นอนสมัยชนกตั้งว่าท่านหยุดว่ายน้ําท่านก็ต้องจมน้ําตายทันทีเลยใช่ไหม เกลียดคานความเกลียดค้าน ค, าคานอบงำดังนั้นเราท่านทั้งหลายจงมองดูตัวเราเองว่าเนี่ยเรื่องระหว่างวิยะกับความเพียรเนี่ยกับความเกลียดค้านของเราเนี่ยอันไหนเรามีมากกว่ากันเพราะบางครั้งเนี่ยแม้เราเราจะรู้สึกเหนื่อยล้าง่วงเหงาห้านอนแล้วเราก็จใจครับโทษหรือเาจริงเดี๋ยวนี้ เป็นเครื่องกลางกั้นที่ไม่ให้เราบรรลุไปสู่กุศลธรรมพอความเกลียดค้างครอบงําเราก็ไม่กอบความเทียนเห็นไม่ย่าดโยมทั้งหลายเราค่อยอยากจะพักผ่อนอยากจะทำอะไรที่รู้สึกเออมันสบายและมีความสุขอะไรประมาณเนต น, นะปัญหานี้หลวงพ่อก็แก้ตัวเองมาตั้งแต่ต้นแล้วทํายังไงเราตึงจะไม่ขี้เกียจ ถ้าทายังไงเราต้งเยอะเป็นคนขยันได้ตลอดเวลาทำงานทุกวันแต่ต้องทำอย่างมีความสุขนะไม่ใช่แค่ขยันเราจะทางานอย่างมีความสุขได้ด้วยอะไรอยอดดมความเมตตาทังความรักความปรารถนาดีที่เรามีต่อทุกคนและทุกสิ่งจนะทำให้เรามีความสุขมองซ้ายขวาหน้าหลังก็มองด้วยความเมตตา มีความบัฒนาดีกั่คนอื่นเสมอเนี่ยนะเราจะมีความสุขงาายจมแล้วมันจะเกิดปัญญาเกิดปัญญาสติบวกกับเมตตาเนี่ยจะให้เกิดปัญญาเพราะอะไรถึงเกิดปัญญาการที่เรามีเมตตาเนี่ยเรามองเราใส่ใจคนอื่นเนี่ยเราจะรู้รู้ใจเขาเข้าใจเขาเห็นอกเห็นใจเขา จะรู้ถึงความต้องการของเขาไอที่เราเห็นเห็นในใจเา้เาก็เห็นเขามีความสุขความทุกข์อย่างไรเราเห็นเออคนนี้เขาคงหิวเนาะเมื่อเราเห็นเขาหิวเราก็เกิดปัญญาขึ้นมาว่าเออเราควรจะให้ทานเป็นอาหารแก่เขาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เปรียบเทียบง่ายๆญาติยาโยมแต่ถ้าเรามีสติและมีเมตตาประกอบกันเนี่ย เราจะเห็นคนอื่นเข้าใจคนอื่นเห็นอกเห็นใจคนอื่นแล้วนี่แหละก็จะเป็นการนำมาเป่นการสร้างบา ร, รมีนะาพาอทำงานมาปีนี้ปีที่ยี่สิบหกลอวันพูดทำงานยี่สิบห้าปีที่ผ่านมาเนะี่ยไม่เคยมีวันหยุดงานแม้แต่วันเดียวไม่เคยหยุดเลยแนละ้วบางคนอาจจะเคยไปไม่เคยหยุดงาน แล้วก็ไม่เคยเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ป่วยและญาติเลยบาตรเดียวก็ไม่เคยเก็บทำกันมา25 26ปีละแล้วเราก็ยังทำต่ออีกด้วยเหตุผลที่หลวงพ่อรู้แล้วว่าการทำงานเนี่ยการทำงานเนี่ยทำให้เราได้เพิ่มได้โอกาสที่จะสร้างบารมีของตัวเองงานที่เราทำเนะี่ย เหมือนบทเรียนเหมือนแบบฝึกหัดรวมทั้งบททดสอบในชีวิตของเราถ้าเราใช้งานเป็นแบบฝึกหัดแบบฝึกหัด25ปีที่ผ่านมานะหลวงพ่อทำงานตลอดมาก็เลยได้ได้ทั้งสติได้ทั้งปัญญาบารมนะีได้ทั้งทานบารมีเมตตาบารมี ในคำมะบารมีอะไรมากมายหลายอย่างที่หลวงพ่อได้โดยที่ไม่อาจจะเล่าให้ญาติโยมฟังเลยทั้งหมดแต่เนี่ยคือสิ่งที่ได้ได้จากคำว่างานคำเดียวดังนั้นผู้ที่มีจิตและใช้เมตตาเป็นงานเครื่องมือในการทำงานไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่ไหนก็ตามเราจะได้ทั้งความสุขได้ทั้ง ปัญญาตามมาด้วยซึ่งอันนี้สำคัญมากญาติโยมสติกับเมตาตาทให้เราเกิดปัญญาเราจะสงบขึ้นเยือกเย็นขึ้นสุขุมรอบครอบมากขึ้นหนักแน่นมากขึ้นอะไรดีๆมันก็จะเจริญงอกงามด้วยสติและเมตตาญาติโยม ดังก็ฝากญาติโยมเอาไว้นะว่าเนี่ยเรื่องของอาการปฏิบัติจริงๆเราใช้งานเนี่ยเป็นแบบฝึกหัดได้เป็นบทเรียนได้และเป็นบททดสอบชีวิตเราได้ญาติโยมก็คงจะได้เข้าใจอะไรมากขึ้นนะนะั่นแหละว่าชีวิตเราเกิดมามันคือโอกาสนะโอกาสในการที่เราจะสร้างสะสมบุญบารมีของตนเองเพราะสุดท้ายญาติโยมก็รู้อยู่แก่ใจ สิ่งที่เรามีเราเห็นเราเป็นเราครอบครองกันอยู่เนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างที่เรากำลังคิดกันเนี่ยหวยสามสิบล้านเนี่ยมันของใครจริงไม่มีใครครอบครองมันได้หรอกแตัวตนของเราเองเราก็ไม่สามารถจะครอบครองได้เพราะว่าเราไม่ได้มีสภาวะเป็นอัตตาที่แท้จริงไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงเป็นอนัตตาตาญาิโยมทั้งหลายก็ฝากเอาไว้วันนี้หลวงพ่อ มาล่าช้าเขาบอกหลวงพ่อเดินครึ่งชั่วโมงเหลือเวลาบรรยายอีกครึ่งชั่วโมงเองแต่หลวงพ่อก็พยายามพูดเรื่องดีๆให้พวกเราฟังล่ะเอาไว้ข่าวหน้าหลวงพ่อจะมาให้เร็วตั้งแต่ตีห้าเลยมารอนะมารอพวกเราจะได้บรรยายพวกเราฟังเยอะๆหลวงพ่อไม่รู้ว่าอะ้รเขาเขียนอลไรมานีอยอดเทศเรื่องทําไมต้องให้ ทำไมต้องให้เออทำไมต้องให้พอให้แล้วมันมีความสุขเนะ่ยนะทำไมต้องให้เราก็ลองดูจิเออทำไมต้องให้ที่หลวงพ่อให้ให้ให้เราให้ทุกวันไม่มีวันไหนไม่ให้ทำไมหลวงพ่อถึงมีความสุขเ่ยเราลองนึกดูว่าคนคนหนึ่งเลี้ยงคนสองพันกว่าคนในทุกวันเนีต้องให้อาหารภห้น้ำเดิม ให้ยารักษาโรคให้ที่พักสร้างบ้านให้คนอยู่สร้างโรงเรียนให้เด็กเรียนหนังสือสร้างโรงพยาบาลให้ทุกคนได้มารักษากันใช่ไหมเพราะให้ให้ใ ห, ให้ยิ่งให้เราก็ยิ่งมีความสุขเพราะหลายญาติเยม่ทำไมยิ่งให้ยิ่งมีความสุขการให้เนี่ยมันเป็นการชำระจิตของเราแต่ชำระจิต อะไรที่เรามีเรื่องเราที่มันเป็นของเราแล้วเราให้ไปปุ๊บเนี่ยตามันจะทำให้ใจเราเบาขึ้นไม่ต้องไปมายึดติดไว้นี้ของเราไม่ต้องมาเก็บไม่ต้องมาหัวมาแหมใช่ไหมเอออะไรให้อะไรก็ให้ให้ให้ไปหมดเราพอยกตัวอย่างง่ายๆยาจีบอลที่หลวงพ่อหมเนี่ยตาหลวงพ่อหอมมันมาตั้งแปดเก้าปีละเขเปลี่ยนเน่ย บางคนจะแปลกใจนะโอ้ทำไมหลวงพ่อใช้จีวรผืนเดียวตั้งนานแล้วผืนนี้เป็นปืนที่หลวงพ่อภูมิใจมากเลยพอปะแล้วด้วยขาดแล้วมีการปะโดยเผืนนี้ท่็นจีวรผืนแรกที่ขาดแล้วปะแล้ตั้งใจว่าจะคลองให้ครบสิบปีแล้วหลวงพ่ อ, อจีวรไปทําอะไรทราบไหม มีลูกศิษย์เนี่ยแย่งกันจีวรเหมือนลวงพ่อคูณใช่ไหมเออใครก็อยากได้จีวรหลวงพ่อคูณหลวงพ่อไม่ให้ใครเป็นผืนหรอกจะตัดประมาณขนาดเส้นป่าศูนย์กลางเป็นสี่เหลี่ยมนะเป็นลูกเต๋าสี่เหลี่ยมประมาณสามถึงสี่มิลเนี่ยนะตัดเต็มชิ้นเล็กๆแล้วก็ไปบรรจุไว้ในหลังเหรียญเหรียญหลวงพ่อทุกรุ่นน่จะมีจีวร ฝังโยจะของแท้นะ่ะแถมเส้นผมอีกสามเส้นเจสาสามเส้นจีวรสามมินทุกเหรียญนะจะมีะเหรียญหลวงพ่อจะไม่มีวางให้เช่าไม่มีให้ไม่มีวางไม่มียังให้เช่าตามแผงพระหรอกแต่ก่อนนี่ไม่มีเดี๋ยวนี้มีแล้วใครคนจะไปวางเนะ่ยจะไปขอหลวงพ่อมาแล้วก็มาวาง หลวงพ่อเคยถามเขาแล้วแต่ก็แปลกดีนะหลวงพ่อเห็นเหรียญตัวเองหลวงพ่อก็ถามคนเจ้าของแผงเน่ยเหรียญ น, นี้เท่าไหร่บอกห้าร้อยหลวงพ่อก็มองหน้ามันมันมองหผมหน้าหลวงพ่อก็งงๆอูเลยเออดีหลวงพ่อไม่บอกเพิ่มเป็นเก้าร้อยก็ได้หรอกแ ต, แต่ไปขอเหรียญหลวงพ่อมา นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งวันนี้พอดีเขาให้หลวงพ่อพูดเรื่องเรื่องหนังสือนะฮะนี่แกเรื่องหนังสือกับเรื่องธนาบัตรก่อนแต่เรื่องธนบัตรเนี่ยพอดีลูกศิษย์เขาทําให้ทางแบงก์ชาติเขาทําเป็นอของขวัญปีใหม่ให้หลวงพ่อแจกญาติโยมนะเขาพิมพ์มาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกล่องกล่องกล่องหนึ่งมียี่สิบเจ็ดแผ่นมัง้งโดยประมาณนะ มีทุกแบงก์เลยนะก็ทำใบให้อย่างดีละอาญาโยมส่วนใหญ่ก็ได้รับไปแล้วอันนี้ให้รู้ที่มาท่านเองนะว่าทำแจกนะทำแจกพวกเราเป็นของขวัปีใหม่ส่วนหนังสือเล่มนี้ภูมิใจมากเลยเนะี่ยเพราะว่าลงมือวางรูปเล่มเองนะจัดเลี้ยงอะไรเองหมดเลยเป็นหนังสือที่พิมพ์ถวายพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงราช ก, การที่9ใช่ไหมเรารักทันมากเราก็พิมพ์หนังสือเล่มได้ขึ้นมาเก็บเรื่องราวในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาไว้แต่ก็มีภาพจ้ะมี้1ิดแหวนพอดีตอนนี้เหนือติดกวาเล่มใครแจกอ๋ อ, จ, อ, อจ้ะหลวงพ่อไม่ได้ทำขายเลยจ้ะมไม่ได้ทำขายแต่บอกก่อนว่าไม่ให้ฟรี <laughs> ที่ที่อ่าที่พูดอย่างนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องที่อธิบายท่านนั้นเองแหละว่าเอหลวงพ่อให้ผู้บริจาค500บาท เ, เพื่ออะไรหลวงพ่อจะพิมพ์พิมพ์หนังสือเล่มเนี้ยเป็นสองเวอร์ชั่นเล่มนี้เป็นภาษาไทยล้วนๆเหมาะสําหรับพวกเราคนไทยแต่เล่มที่สองที่อ่อยสามเดือนข้างหน้าจะมีเป็นท่าภาษาอังกฤษด้วยไทยด้วยทําไมพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ เราพ่อจะส่งหนังสือเล่มเนี้ยไปไว้ทั่วโลกเลยนะไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยไปทั่วโลกเขาได้โอกาสได้ดูอ่ะได้เห็นนะฮะว่าประเทศไทยเราคนไทยเรารักในหลวงขนาดไหนแค่ไหนต้นได้หลวงของเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนเราเพราะเขาทำไปเรื่อยแต่เล่มที่สองก็จะหนากว่านี้อีกนิดหนึ่งพอได้เพิ่มเติมภาพสําคัญสําคัญจริงๆในในเ น, นี้ยมีภาพจากทั่วโลกด้วยนะมาใส่เอาไว้ คนไทยแล้วมีทุกจังหวัดด้วยนะทุกจังหวัดเลยเนี่ยที่ภูช ก, การจังหวัดและประชาชนได้มาร่วมกันในพิธีสำคัญอันนี้ก็ฝากเราไว้ถ้าใครอยากจะได้เป็นเจ้าของนะ่ก็คือเหมือนกับพวกเร า, าเป็นเจ้าภาพทพิมทำไมหลวงพ่อตั้งกำหนดห0 0รอยเพราะหนังสือเล่มเนี่ย ค่าพิมพ์มันประมาณสองร้อยนิดนิดสองร้อยนิดนิดจะห้าร้อยก็ได้พิมสองเล่มไงหลวงพ่อลงทุนพิมพ์เองก่อนรัดแรกสองล้านกว่าบาทหมื่นเล่มพิมครั้งที่สองมันกล้ได้เป็นสองหมื่นเล่มใช่ไหมเพราะจากที่ เราพิมพ์เล่มล200ะสองร้อยกว่าบาทคนทําบุญห้าร้อยก็แปลว่าเหมือนได้พิมพ์อีกเล่มหนึ่งเพิ่มสัญญาณโยมได้เล่มหนึ่งก็เท่ากับว่าได้สร้างบุญกุศลอีกเล่มหนึ่งที่จะส่งไปให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆทั่วโลกเนะี่ยเขาได้มีหนังสือเล่มนี้แต่เอาไว้เป็นประวัติศาสตร์โดยใครอยากร่วมบุญกับหลวงพ่อก็ตามสะดวกนะนี่อันนี้ก็แจ้งเพื่อทราบเพื่อใครอยากจะได้ แต่ถ้าใครอยากจะได้ภาคภาษาอังกฤษด้วยก็ต้องรออีกสามเดือนนะอีกสามเดือนก็สื่อสารกับทางเราก็ได้เนาะว่าอยากได้หนังสือเล่มนี้หรือหลวงพ่ออาจจะเอามาแสดงให้พวกเราดูที่นี่ก็ได้